การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อที่หเจริญสมาธิหลักทั่วไปในการปฏิบัติตามวิธีจเจริญสมาธิพึงทราบว่ากรรมฐานแต่ละประเภทมีรายละเอียดวิธีจเจริญสมาธิแตกต่างกันไปแต่กระนั้นก็พอจะสรุปเป็นหลักการทั่วไปอย่างกว้างๆดังที่บางคำพีแสดงไว้ โดยจัดเป็นภาวนาคือการเจริญหรือการฝึกสามขั้นได้แก่บริกรรมภาวนาอุปจาระภาวนาและอัปปนาภาวนาแต่ก่อนจะกล่าวถึงภาวนาสามขั้นมีคำที่ควรทำความเข้าใจคำหนึ่งคือนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายสำหรับให้จิตกำหนด หรือภาพที่เห็นในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานแบ่งเป็นสามอย่างตามลำดับความเจริญ 1. บริกรรมนิมิตแปลว่านิมิตขั้นเตรียมหรือเริ่มต้นได้แก่สิ่งใดก็ตามที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐานเช่นดวงกะสีนที่แพงดู ลมหายใจที่กําหนดหรือพุทธคุณที่นึกเป็นอารมณ์ว่าอยู่ในใจ 2. อ, อุคขานิมิตแปลว่านิมิตที่ใจเรียนหรือนิมิตติดตาได้แก่บริกรรมนิมิตนั่นเองที่เพ่งหรือนึกจนเห็นแม่นยำกลายเป็นภาพติดตาติดใจ เช่นดวงกสินที่เพ่งจนติดตาหลับตามองเห็นเป็นต้น 3. ปฏิภาคนิมิตแปลว่านิมิตเสมือนนิมิตคู่เปรียบหรือนิมิตเทียบเคียงได้แก่นิมิตที่เป็นภาพเหมือนของอุคหานิมิตนั่นเองแต่ติดลึกเข้าไปอีก จนเป็นภาพที่เกิดจากสัญญาของผู้ที่ได้สมาธิจึงบริสุทธิ์จนปราศจากสีเป็นต้นและไม่มีมนลทินใดๆทั้งสามารถนึกขยายหรือย่อส่วนได้ตามปรารถนานิมิตสองอย่างแรกคือบริกรรมนิมิตและอุกหานิมิตได้ทั่วไปในกรรมฐานทุกอย่างแต่ปฏิภาคนิมิตได้เฉพาะในกรรมฐาน ยี่สิบสองอย่างที่มีวัตถุสำหรับเพ่งคือกษินสิบอสุภาสิบกายคตาสติและอาณาปานาสติภาวนาคือการเจริญหมายถึงการเจริญกรรมฐานหรือฝึกสมาธิที่ก้าวหน้าในขั้นต่างๆมีสามขั้นดังนี้ 1. บริกรรมภาวนาการเจริญสมาธิขั้นเริ่มต้นได้แก่การกำหนดถือเอานิมิตในสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นเพ่งดวงกะสินกำหนดลมหายใจเข้าออกที่กระทบปลายจมูกหรือนึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่าอยู่ในใจเป็นต้นพูดง่ายๆว่ากาหนดบริกรรมนิมิตนั่นเอง เมื่อกำหนดอารมณ์กรรมฐานคือบริกรรมนิมิตนั้นไปจนมองเห็นภาพสิ่งนั้นติดตาติดใจมั่นยำก็เกิดเป็นอุคหาหนิมิตจิตก็เป็นสมาธิขั้นต้นที่เรียกว่าบริกรรมสมาธิคือขันิกะสมาธินั่นเอง 2. อ, อุปจาระภาวนา การเจริญสมาธิขั้นอุปจาระได้แก่อาศัยบริกรรมสมาธิเอาจิตกำหนดอุคหะนิมิตต่อไปจนกระทั่งแน่วแ น, แน่แนบสนิทในใจเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นนิวรณ์ก็สงบระงับจิตก็ตั้งมั่นเป็นอุปจาระสมาธิเป็นขั้นสูงสุดของกามาวจรสมาธิในกา ร, รมฐานที่ไม่มีวัตถุเพ่ง เพียงแต่นึกถึงอารมณ์อยู่ในใจไม่มีปฏิภาคนิมิตกำหนดด้วยจิตแน่วแน่จนนิวนร์ระงับไปอย่างเดียว 3. อัอปปนาภาวนาการเจริญสมาธิขั้นอปปนาได้แก่เสกปฏิภาคนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นสม่ำเสมอด้วยอุปจารสมาธิ พยายามรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมหายไปเสียโดยหลีกเว้นสถานที่บุคคลอาหารเป็นต้นที่เป็นอสัพปายะเศษแต่สิ่งที่เป็นสัพปายะและรู้จักปฏิบัติตามวิธีที่จะช่วยให้เกิดอัปปนาเรียกว่าอัปปนาโกศลสิบอย่างเช่นประครับประคองจิตให้พอดีเป็นต้นจนในที่สุดก็เกิดเป็นอัปปนาสมาธิบรรลุปฐมฌาน เป็นขั้นเริ่มแรกของรู ป, ปาวจรสมาธิสัปปายะสิ่งที่เหมาะกันเกื้อกูลช่วยสนับสนุนมีเจ็ดคืออาวาสั์หรืออาวาสที่อยู่โคจระหรือโคจรที่เที่ยวหาอาหารพัษสะการพูดคุย บุคคลโภชนะอุตคุคือดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมอิริยาบถ ท, ที่ถูกกันหรือช่วยเสริมส่วนอสัพปายะก็คือสิ่งทั้งเจ็ดนั้นที่ไม่เกื้อกูลหรือไม่เหมาะกันกรรมฐานหลายอย่างสุขุมละเอียด เป็นอารมณ์ลึกซึง้งไม่มีวัตถุสำหรับเพ่งหรือสัมผัสด้วยกายได้จึงไม่ชัดพอจิตไม่สามารถแอบแนบติดสนิทอยู่ได้นานจึงไม่มีปฏิภาคนิมิตและให้ผลสำเร็จได้เพียงแค่อุปจาระสมาธิส่วนกรรมฐานที่เป็นอารมณ์หยาบเพ่งดูหรือสัมผัสด้วยกายได้กาหนดได้ชัดเจนจิตแนบสนิท ต, ตั้งอยู่ได้นาน ก็ให้เกิดปฏิภาคนิมิต ด, ด้วยและสเร็จผลถึงอัปปนาสมาธิได้ทั้งนี้มีแปลกแต่อัปปมัญญาหรือพรหมวิหารซึ่งแม้จะไม่มีปฏิภาคนิมิตเพราะไม่มีวัตถุธรรมเป็นอารมณ์ธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับซึ่งแม้จะไม่มีปฏิภาคนิมิตเพราะไม่มีวัตถุธรรมเป็นอารมณ์แต่ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์ จึงมีความชัดเจนเพียงพอและให้เกิดอัปนาสมาธิได้เมื่อบรรลุปฐมฌานแล้วต่อจากนั้นก็เป็นการบำเพ็ญความชำนาญให้เกิดขึ้นในปฐมฌานนั้นและทําความเพียรเพื่อบรรลุฌานขั้นต่อๆขึ้นไปตามลำดับภายในขอบเขตความสามารถให้สำเร็จผลของกรรฐานชนิดนั้นๆ เป็นอันได้บรรลุผลของสมถะตามสมควรท่านว่าอัปปมัญญาถึงจะไม่มีปฏิภาคนิมิตอย่างพวกกสินเป็นต้นแต่ก็มีสีมาสัมเพทคือภาวะที่จิตเมตตาเป็นต้นนั้นจเจริญบริบูรณ์หมดความแบ่งแยกเป็นไปต่อสัตว์ทั้งปวงเสมอกันเป็นนิมิตแล ะ, จะเจริญ น, นิมิตนั้นไปจนบรรลุอัปปนา ส่วนความชำนาญ น, นั้นเรียกว่าวะสีมีห้าอย่างคือ 1. อาวัชนาวสีชำนาญในการนึกตรวจองค์ฌานที่ตนออกมาแล้ว 2. สมาปัชนาวสีชำนาญในการเข้าฌานนั้นๆได้รวดเร็วในทันทีทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 3. อธิษฐานนวสีชํานาญในการอธิษฐานคือตั้งจิตยับยั้งอยู่ในฌานได้นานเท่าที่ต้องการไม่ให้ฌานาจิตตกภาวาสเสียสี่วุฒานวสีชํานาญในการออกจากฌานออกได้ตามเวลาที่กําหนดไว้และเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ หปัจเจเวคขณะวสีจำนาในการพิจารณาทบทวนองค์ชานคือการทำอย่างอาวัชนาวสีนั่นเองที่เป็นครั้งลังหลังตอนนั้นมาทั้งห้าข้อนั้นมีในคุตการนิกายปฏิสัมพิธามักซึ่งอธิกทานำมาอ้างและอธิบายเช่นในวิสุทธิมักท่านว่า ถ้ายัางไม่ได้วสีในฌานลำดับต้นก็อย่าพึ่งเจริญฌานขั้นต่อไปมิฉะนั้นอาจเสื่อมทั้งจากฌานที่ได้แล้วและยังไม่ได้ทั้งนี้ท่านอ้างพระบาลีในอังคุตรานิกายนวกนิบาตอันหนึง่งมติของพระอัตฐกถาจา์มีว่าอาวัชนวสีและปัจเจเวขณะวสี เนื่องอยู่ด้วยกันในวิธีจิตเดียวกันคือในช่วงอวัชนะเป็นอวัชนะวสีและในช่วงชวนาขณะเป็นปัจเจเวคขณะวสีแต่จะแยกความหมายอย่างไรก็ได้ประโยชน์เท่ากัน